มุสาวาทวั์หมวดว่าด้วยมุสาวาตส4 4ท่านพระอุบาลีทูลถามว่ามุสาวาตมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีมุสาวาตนี้มีห้าอย่างคือหนึ่งมุสาวาตที่ถึงขั้นอาบัติปราชิกมีอยู่สอง มุสาวาทที่ถึงขั้นอาบัตสังคาทิเศตมีอยู่ 3. มุสาวาทที่ถึงขั้นอาบัตทุลจใจมีอยู่ 4. มุสาวาทที่ถึงขั้นอาบัตปาจิตติมีอยู่ 5. มุสาวาทที่ถึงขั้นอาบัตทุกกดมีอยู่อุบาลีมุสาวาทมีห้าอย่างนี้แลงดอุโบสถหรือประวารณา 4 4่หท่านพระอุบาลีทูลถามว่าพิษุผู้ประกอบได้องค์เท่าไรหนอแลงดอุโบสถหรือปวารณาในถ้ำกลางสงสงพึงกล่าวห้ามว่าพอทีพิษุอย่าทุ่มเถียงกันอย่าทะเลาะกันอย่าแข่งแย่งกันอย่าวิวาทกันดังนี้แล้วจึงทำอุโบสถหรือปวารณาพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้างดอุโบสถหรือปวารณาในถ้ำกลางสงสงพึงกล่าวห้ามว่าพอทีภิกษุอย่าทุ่มเถียงกันอย่าทะเลาะกันอย่าแข่งแย่งกันอย่าวิวาดกันดังนี้แล้วทำอุโบสถหรือปวารณาองค์ห้าคือหนึ่ง เป็นอาัจชี 2. สองเป็นคนโง่เขลา 3. ามไม่ใช่เป็นปกกัตตะสี่เป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้เคลื่อนจากศาสนาห้าไม่เป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้ออกจากอาบัตอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลงดอุโบสถหรือปวารณาในถ้ำกลางสงสง์พึงกล่าวห้ามว่าพอทีภิกษุ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 องของภิกษุผู้ไม่ควรให้คาซักถาม446ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบได้องค์เท่าไรหน้อแลสงไม่ควรให้คำซักถามพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องห้าสงไม่ควรให้คำซักถาม องห้าคือ 1. ไม่รู้อาบัตและอนาบัติ 2. ไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนัก 3. ไม่รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 4. ไม่รู้อาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วยาบ 5. ไม่รู้อาบัตที่ทำคืนได้และทำคืนไม่ได้อุบาลี ภิกษุผู้ประกอบได้องคหานี้แลสงฆ์ไม่ควรให้คำซักถามองค์ของภิกษุผู้ควรให้คำซักถามอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องหา้าสงฆ์ควรให้คำซักถามองหา้งคหค า, งหาคือ 1. รู้อาบัตและอนาบัติ 2. รู้อาบัตเบาและอาบัตหนัก 3. ม รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 4. รู้อาบัตชั่วหยาบและอาบัตไม่ชั่วยาบ 5. รู้อาบัตที่ทำคืนได้และทำคืนไม่ได้อุบาลีภิษุผู้ประกอบไดยองคหานี้แลทรงควรให้คำซักถามภิกษุต้องอาบัตด้วยอาการห้าอย่าง4 4 7ท่านพระอุบาลีทูลถามว่า ภิกษุต้องอาบัต ด, ด้วยอาการเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุต้องอาบัต ด, ด้วยอาการห้าอย่างคือ 1. เพราะไม่ละอาย 2. เพราะไม่รู้ 3. เพราะสงสัยแล้วขืนธรรม 4. เพราะสาคัญในของที่ไม่ควรว่าควร 5. เพราะสำคัญในของที่ควรว่าไม่ควร อุบาลีภิกษุต้องอาบัต ด, ด้วยอาการห้านี้แหลอุบาลีภิกษุต้องอาบัต ด, ด้วยอาการแม้อื่นอีก5อย่างคือ 1. ไม่ได้เห็น 2. ไม่ได้ฟัง 3. หลับ 4. เข้าใจว่าเป็นเช่นนั้น 5. ลืมสติอุบาลีภิกษุต้องอาบัต ด, ด้วยอาการห้านี้แหลเวณห้า 4ีท่านพระอุบาลีทูลถามว่าเวนมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีเวนนี้มีห้าอย่างคือ 1. ข้่าสัตว์มีชีวิต 2. ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้ 3. ประพฤติผิดในกาม 4. พูดเท็จห ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอุบาลีเวนห้านี้แหละงดเว้นเวนห้าท่านพระอุบาลีทูลถามว่าเจตนางดเว้นจากเวนมีเท่าไรหนอแหลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลี เจตนางดเว้นจากเวณ น, นี้มีห้าคือ 1. เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต 2. เจตนางดเว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้ 3. เจตนางดเว้นจากประพฤติผิดในกรม 4. เจตนางดเว้นจากพูดเท็จ5 เจตนางดเว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอุบาลีเจตนางดเว้นจากเวรห้า น, นี้แหละความเสื่อมห้าสี่ร้สี่สิบเกท่านพระอุบาลีทูลถามว่าความเสื่อมมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุบาลีความเสื่อมนี้มีห้าอย่างคือหนึ่งความเสื่อมญาตสองความเสื่อมโภคทรัพย์สความเสื่อมคือโรคสความเสื่อมศีลห้าความเสื่อมทิฏฐิอุบาลีความเสื่อมมีห้าอย่างนี้แลสัมปทาห้าท่านพระอุบาลีทูลถามว่า ความถึงพร้อมมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีความถึงพร้อมนี้มีห้าอย่างคือ 1. ญยาติสัมปทาความถึงพร้อมแห่งญาติ 2. โภคะสัมปทาความถึงพร้อมแห่งโภคะาอาโรคยะสัมปทา ความถึงพร้อมแห่งความไม่มีโรค 4. สีศีลสัมปทาความถึงพร้อมแห่งศีล 5. าทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมแห่งความเห็นอุบาลีความถึงพร้อมมีห้าอย่างนี้แลมุสาวาทวัคที่เจ็ดจบหัวข้อประจําวัค ก, การกล่าวมุสาวาท การกล่าวห้ามการกล่าวห้ามอีกในหนึ่งคำซักถามอาบัตอาบัตอีกในหนึ่งเวนเจตนางดเว้นจากเวนความเสื่อมสัมปทาจัดเป็นวรรคที่เจ็ด